ถือเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นจุดหมายปลายทางสุคติของมนุษย์นะส่วนใหญ่คือเป็นเทวดาหรือเป็นไปเกิดในสวรรค์นะแต่สุคติของเทวดาคือมาเกิดในโลกมนุษย์นะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าเทวดานี่เห็นว่ามนุษย์นี่ได้เปรียบหลายอย่างนะมีของดีหลายอย่าง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 จะมาตัดสุดเป็นพระ เ, เจ้าเนี่ยที่จริงท่านอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะแต่เมื่อจะต้องมาตัดสุดปปพระ เ, เจ้าก็มาเกิดในโลกมนุษย์นะเป็นเจ้าชายสิทธัตถนะเพราะว่าโลกมนุษย์นี่มีโอกาส ท, ที่จะได้อันบรุษธรรมสูงมากนะพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะจึงน่าจะรู้สึก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 หรือเพราะว่าติดสุขนะก็คิดว่าไอ้การมาสุขนี่มันประเสริฐแล้วนะก็เลยไม่ขนไคว่นะไปไปมาก็เลยอาจจะเป็นพวกการมาสุขคริอการนิย o ก็ได้นะการมาสุขหรือการนิย o คือพวกที่หมกมุ่นอยู่ในกามนะอันนี้ไม่ใช่มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะเทวดาก็เป็นนะนั่นะเทวดาที่ประพฤติธรรมเนี่ยนะก็รู้ว่าเนี่ยเออการมาเกิดเป็นมนุษย์ และมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมนี่มันประเสริฐกว่าเวลาเทวดาองค์ใดนี่จะเรียกว่าหมดอายุไขนะก็มีการอวยพรว่าคอยมาเกิดเป็นมนุษย์นะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะเราก็นับถือพุทธาศาสนาไปนะแต่ก็ไปคิดว่าโอโ้เทวดานี่ประเสริฐที่สุด ที่จริงประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์เนี่ยที่ฝึกฝนนะมนุษย์เมื่อฝึกฝนตนเนี่ยนะจกนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมนะเป็นพระพุทธเจ้านะ่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เหนือกว่าเทวดามารพรนะพรรมนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะแต่ว่าก็ยังต้องเคารพนะกราบกลานพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์นะ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 เห็นความตายในช่วงอายุไขของคนเรานี่ก็ได้เห็นความเสื่อมนะความชราความไม่เที่ยงนเยอะมากอันนี้เป็นของดีนะอย่าเป็นที่ว่าเป็นของไม่ดีเพราะว่ามันกระตุ้นให้ไม่ประมาทได้เห็นความเสื่อมของการมาสุขว่ า, วาทรัพย์สินเงินทองนะวันนี้มีพรุ่งนี้ก็อาจจะหมดนะ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 ฤษนะีก็ถามพระอินทร์พระอินทร์บอกว่าชนะแน่พอพระราชาได้รับคำยืนยันจากพระอินทร์ผ่านพระฤษีว่าเนี่ยชนะแน่ก็ประมาทนะก็สนุกสนานเตรียมเลี้ยงกันเตรียมฉลองชัยชนะส่วนกษตรอีกเมืองหนึ่งนะก็รูปเหมือนกันนะก็มีฤษีเหมือนกันฤศนะีนี่ก็ติดต่อเทวดาได้เทวดาบอกว่าแพ้ แต่ว่ากษัตริย์นี้ไม่เชื่อนะก็เตรียมรีพลนะฝึกฝนกันอย่างแข็งขันและพอถึงเวล า, าสู้รบกันปพราว่ากษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยที่เทวดาบว่าแพ้เนี่ยชนะส่วนกษัตริย์ที่พระอินบอกว่าชนะเนี่ยกับแพ้ยับเยินเลย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 กษัตริย์องค์แรกนี้ชนะองค์ที่สองนี่แพ้แต่องค์ที่สองนี่ทำความเพียนมากความเพียนของกษัตริย์องค์นี้ก็สามารถทำให้พลิกชะตาได้นะอันนี้คือความได้เปรียบของมนุษย์นะทีะ่ส่วนใหญ่ไม่รู้กันมนุษย์เรานี่มีความสามารถมากกว่าหรือมีศักยภาพมากกว่าเทวดายเยอะ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 คนรวยนี่ก็มีทั้งมีที่มีสมาธิิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิด็อกเตอร์ในวิชาการก็มีทั้งสมาธิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเทวดาก็เหมือนกันนะถึงแม้อยู่ในสวรรค์นี่ก็มีความหลงแล้วก็มีกิเลสนะถ้มีเรื่องเล่าว่าเมื่ออนาฏปิญธิกาเศรษฐีเนี่ยยากจนลงไปเรื่อยๆนะนาฏปิญธิกาเศรษฐีแล้วก็รู้นะว่าเป็น มหาเศรษฐีเลยนะแต่ต่อหลังทําบุญมากนะจกนกระทั่งเงินทองไร่อรอนะพอไร่อรอเนี่ยนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูก็มาบอกอนาธิปนิกาเศรษฐีว่าเลิกให้ทานเถอะเลิกให้ทานนะโดยพอเลิกให้ทานผู้เจ้าอนาธิปนิกาเศรษฐีเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นโสดาบันแล้วนะก็เลยไล่เทวดาออไปเลยว่าท่านไม่ต้องอยู่ล้วเป็นเทวดาไม่มีธรรมะ นะมาแนะนำว่าให้เลือกให้ทานเทวดาก็เลยเสียใจเลยนะไม่รู้ทำไงเลยไปไปกราบทูลพระเจ้าบะขอใอยช่วยหน่อยนะสุดท้ายก็ต้องมาขอขมาอนาถปิณฑิกาเศรษฐีเทวดานี่ขอขมามนุษย์นะเพราะว่าไม่มีคุณธรรมนะแล้วที่แนะนำอนาถปิณฑิากาเศรษฐีไม่ให้ให้ทาน ก็เพราะว่ า, าไม่พอใจพระพุทธเจา้านะเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของอนันติฎกอนันติฎกเศรษฐีเนี่ยเทวดาเนี่ยอยู่บนซุ้มประตูก็ต้องลงมาข้างล่างเพราะว่าอยู่อยู่สูงกับพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงมาบ่อยๆก็ลาคานนะขนาดแค่ลงมาจากซุ้มประตูแค่เนี้ก็ขี้เกียจละนะอันนี้เรียกว่าเป็นเทวดาที่ไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีความ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 ไม่มีแขนไม่มีขาเนะีเขียนหนังสือชื่อไม่ครบ5นะก็คือมีแต่หัวไม่มีแขน2ไม่มีขา2แต่เขาสามารถที่จะใช้สติปัญญาที่เขามีเนี่ยนะพัฒนาจกนกระทั่งสามารถจะช่วยตัวเองได้ทำมาหากินได้แล้วก็มีความสุขด้วยนะเขาบอกเนี่ยฉันผมเกิดมาพิการแต่มีความสุขและสนุกทุกวัน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 เขียนหนังสือก็ไม่ได้แต่ว่ากระดิกนิ้วพอได้บ้างก็ปอกว่าใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดที่มีเนี่ยโดยพอสมองเนี่ยเต็มที่เลยจนทั้งกายเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากเขียนหนังสือออกมาพิมพ์เป็นหลายล้านเล่มเป็นสิบล้านเล่มแล้วมั้งเรียกว่าได้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็ได้ทั้งเงินคนบางคนตาบอดนะ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 เป็นพ่อครัวที่ร่ำรวยรวยกว่าเพื่อนที่จบด็อกเตอร์ซะอีกนะนะเพื่อนหลายคนนี่สมองดีนะจบด็อกเตอร์ได้เป็นาศาสตราจารย์แต่ว่าไม่รวยเท่ากับพ่อค ร, วรัวคนนี้ทั้งที่อ่านหนังสือไม่ค่อยได้เขาบอกว่าอ่านหนังสือจบเล่มครั้งแรกก็ตอนนะอายุสาสิบแปดนะอ่านหนังสือจบเล่มครั้งแรกเนี่ยเล่มแรกก็อายุสาสิบแปดนะ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 นี่ต้องฉลาดนะมีอะไรเจออะไรนี่ต้องมาใช้ให้เกิดประยนในทางทําให้เต็มที่เลยนะไม่มมวเสียใจไม่โมัวโวยวายไม่มัวกลุ้มอกกลุ้มใจอาละ่ะพอสมควรกับเวลาแล้วก็เตรียม